และผู้ควบคุมและครูอาจารย์ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิกา ร, ร, รพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้โดยอนุมัติโครงการของคุณมาลีพ่วงทูศักผู้หน่วยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดงอนุญาตให้มาสร้างความดีปฏิบัติธรรมณนะวัดอัมภวันในวันนี้ มาหลายรุ่นหลายคราวหลายครั้งแล้วแต่ละรุ่นก็มากันมาสร้างความดีที่วัดนี้ด้วยการบําเพ็ญสินเจริญปิจพภาวนาต่างสองประการนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้มาท่านกู้ฝึกอาชีพางานที่เรียกว่าคนพิการนั้นแต่พิการเพียงร่างกายชั้งขานในบ้างภาคกาย แต่มาปฏิบัติธรรมเนะี่ยจิตใจเราคงจะไม่พิการจิตใจจะดีจิตใจจะมีปัญญาจะฝึกอาชีพได้ดีด้วยปัญญาก็จะเกิดกุศลก็จะพึงได้ในชีวิตของตอนเองผู้มาปฏิบัติธรรมณนะวัดอภวันเห่งนี้และในเวลานี้ด้วยขออนุมทนาแต่ท่านผู้อำนวยการศูนย์ ต้อมเจ้าหน้าที่และกับครูอาจารย์ที่ฝึกอาชีพให้เราทนทั้งหลายเหล่นั้นได้มีอาชีพได้มีความรู้ได้มีวิชาการไปเลี้ยงตัวเองและได้ช่วยตัวเองต่อไปและถือโอกาสมาบำเพ็ญศีลเจริญกิจภาวนาให้เข้มแข็งให้จิตใจเป็นกุฏศรจะไม่ได้สร้างผลงานอันเป็นบาปกรรมในชุวิของตนต่อไป ด้วยการเจริญประกรรมฐานบำเพ็ญจิจภาวนาต่อ น, นี้ไปโปรดได้รับฟังอุวาสเป็นการประกาศธรรมและเชิงปฏิบัติการคือการบำเพ็ญจและภาวนาสืบต่อไปณนะโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรทุกทุกท่าน <c oughs> ชีวิตนี้คือมองคลขอพี่น้องทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมเรามีเวลาน้อยที่เข้ามาสู่วัดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คงจะไม่กี่วันสองวันสามวันเท่านั้นแต่ประโยชน์ที่จะพึงได้นั้นอยู่ที่ตัวท่านทั้งหลายเอง เกิดขึ้นกับบุคคลเองคือตัวท่านมิใช่คนอื่นเป็นผู้ได้ผู้เสียเราเป็นผู้ได้กับผู้เสียสองประการเสียเวลามาเพื่อได้บุญได้กุศลให้แก่ตนเองโดยเฉพาะนี่เขาเรียกว่าบุญเฉพาะไม่ใช่หมายความว่าที่เข้าไปทำบุญตามวัดทั่วบุญกันทั่วไปนั่นบุญนอกตัวบุญนอกกายนอกใจ บุญสงเคราะห์นุเคราะห์คนอื่นเขาแต่การมาเจริญพระกรรมฐ า, านจนบำเพ็ญกิจอภวนาขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์จเจริญสติปฐานสี่ทางสายเอกของพระพุทธเจ้านียเรียกว่าบุญในตัวสร้างบุญให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะไม่ใช่เอาบุญไปให้คนอื่นอย่างที่ไปทัวร์บุญวัดโน้นวัด น, อ น, ดนีอย่างที่เขาไปกันนาีชิดได บุญนอกตัวนอกกายนอกใจจิตใจก็เอาดีไม่ได้จิตใจก็ต่ำลงเพราะบุญนอกตัวไปหาบุญนอกตัวกันตามวัดต่างๆแต่บุญที่จะสร้างให้แต่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีใครสร้างเพราะบอกให้มาเจริญกรรมฐานก็สายหน้าไปทำ ต, ตามกันเขาไม่ต้องการอยากได้บุญในตัวเองเขาต้องการจะเอาบุญไปสงเคราะห์คนอืน่น เอาปัจจัยคือสตางีหามาด้ความยากก็ทําบุญกันไปสงเคราะห์กันไปอนุเคราะห์กันไปเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายอันนี้ขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีว่าบุญสงเคราะห์ตัวเองมีมั่งหมายเอาบุญมาใส่ใจให้เกิดความสุขจากการชําระใจให้สะอาดบําเพ็ญศีลบําเพ็ญกิจภาวนาเช่นนี้เนี่ย จะหาได้ยากมากมาที่วัดกันเยอะแยะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มากันเป็นพันมารับทางข้าวแล้วก็ไปกันทางนั้นไปไหนไปหาบุญแต่กลับมามีแต่ความทุกข์ระทมขมคขื่นในครอบตัวครัวของตนหาความสุขให้แก่ตัวเองไม่ได้นี่แหละพี่น้องที่หลัก ที่เรามาปฏิบัติธรรมของผู้มวยการศูนย์ที่ลงมติเป็นเอกฉันน์มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวมากันนานแล้วจุดมุ่งหมายของผู้มวยการศูนย์ต้องการให้พี่น้องทุกๆคนนี้เนี่ยมีบุญวัสนาเทียมหน้าตาเขาบ้างในอนาคตต้องการตรงนั้นเป็นจุดแรกจุดที่สองต้องการให้เราได้รับความสุขความเจริญ ในจิตใจในด้านจิตใจเรายังไม่เจริญต้องการให้จิตจิตใจเจริญรุ่งเรืองต้องการจะมาฝึกอาชีพประกอบยึดถือเป็นอาชีพของตอนในฐานะเป็นคนพิการก็ตามแต่คำว่าคนพิการอาตมาก็พิการคอก็หักแล้วแขนก็หักขาก็หักไม่เป็นคน ที่เราเรียกว่าพิการเราเป็นคนพิการเหมือนท่านทั้งหลายแขนหักขาหาักมาแล้วแต่จิตเราไม่พิการเราจึงอยู่ได้รอดปลอดภัยจากรถชนคอหักเราก็ยังรอดพ้นอันตรายได้รอดพ้นจากขาหากักแขนหักได้แล้วเราก็มาประกอบการงานอันหน้าที่ในทางพระพุทธศาสนาเป็นพระปิจุบุรุษรูปหนึ่งจะช่วยเหลือประชาชน ให้เขามีที่พึ่งให้กก่ตนเองต่อไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนเราถือว่าเป็นญาติกันแล้วในวันนี้ญาติธรรมญาติธรรมญาติในธรรมะเรียกว่าญาติในพระพุทธศาสนาเราจะต้องคุ้นเคยเข้าใจการเป็นญาติต่อพระพุทธเจ้าแล้วต้องปฏิบัติตาม เป็นญาต่อพระธรรมคําสอนเราใกล้ชิดต่อพระธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองทำให้ธรรมะแนบสนิทติดอยู่ในหัวใจของเรานั้นได้แก่สติสัมปชัญญะทางสายเอที่เราต้องดำเนินงานกันต่อไปต้องการให้เรามีสติต้องการให้เรามีปัญญา ต้องการจะมีสมาธิภาวนาเพื่อต้องการแก้ปัญหาชีวิตของตนเองนี่เราบุญสงเคราะห์ตัวเองบุญมีประโยชน์แก่ตัวเองมากไม่ใช่บุญนอกตัวอย่างที่เขาไปทําบุญผาป่ากระินกันอย่างนั้นบุญสงเคราะห์บุญอนุเคราะห์พระสงค์ไปสร้างกุฏิอนุเคราะห์ให้พระสงค์ได้อยู่สบายเอาบุญไปเอาสตางค์ไปช่วยสร้างสลาให้เขาบางเพลงกุศลให้สบาย เอาสตังไปสร้างโบสถ้ะ ก, กี่หลังต้องการให้โบสถ์นั้นไปหลักใช้พระพุทธศาสนาเท่านั้นต้องการให้บวชนาคได้ต้องการให้พระทำสงฆกรรมได้เท่านั้นแต่เป็นการสงเคราะห์ขะสงฆ์แต่ยังไม่หมายความว่าเป็นการสงเคราะห์ตัวเองบุญตรงนี้เอาไว้ก่อน พระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาสอนให้เราพึ่งตัวเองเนี่ยเป็นบุญลเอียดสาคัญมากต้องการให้เราช่วยตัวเองให้ได้เป็นบุญสําคัญมากต้องการให้เราแนะแนวตัวเองสอนตัวเองอย่าให้ผิดทางอย่าให้จิตเลเพลาา่าพาอย่าให้จิตมันไปสู่ที่ตามต้องการกั้นจิตให้มันสูงโดยสติปัญฐาสี่เรียกว่าจเจริญประกรรมฐ า, าน ให้ฐานะเราดีฐานะของคนจะดีได้คนนั้นต้องมีวิชาความรู้ฐานะของคนจะดีได้คนนั้นต้องมีปัญญาช่วยเหลือส่องเสริมให้วิชาการที่ประกอบอาชีพการงานของคนพิการนั้นมีประสิทธิภาพต่อไปปัญญาแปลว่าความรู้ซึ้ง ปัญญาแปลว่าความรู้ถูกต้องปัญญาตัวนี้แปลว่าความรู้ต้องการแก้ปัญหาที่ชีวิตมันต่ำให้กลับร้ายกลายดีจะได้สร้างความดีให้เกิดปัญญารอบรู้ในเหตุในผลรอบรู้ในตัวตนว่าเราดีหรือชั่วประการได้ไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาจุดมุ่งหมายอันนี้เป็นการต้องการมาก ขออนุโมทนากับผู้อานวยการศูนย์อย่างดียิ่งและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนและครูอาจารย์ที่เราควบคุมและให้วิชาทุกอย่างทุกด้านของศูนย์ฝึกอาชีพพระประแดงนั้นจุดมุ่งหมายก็ต้องการตรงนี้ไม่ใช่ต้องการจะไปสวรรค์นิพพานที่ไปบวชชีพรามตามวัดแล้วก็ไม่เอาเนื้อเอาตายแต่ประการใดบวชชีพรามเพื่อเอาหน้าเอาตา ศีลและเจรณีนาตรีทรงศีลตติทรงศีลก็ไม่ใช่ศีลแท้มันศีลปลอมได้ปลอมคือรับกับพระแล้วไม่ปฏิบัติตามพระเรียกว่าศีลและเจริีนิศีลปลอมถ้าศีลที่ดีคือปฏิบัติธรรมอย่างนี้ปฏิบัติให้มีศีล น, นะหมายความว่าอะไรหมายความว่าพี่น้องทุกคนมีสติกำนดจิต ชาตากรรมของชีวิตอย่างนั้นมีความรู้ตัวคือสัมปชัญญะกายเวทนาจิตธรรมกายจะยืนก็มีสินจะเดินจะนั่งจะนอนจะเลียวซ้ายจะแลขวาก็มีสติมีสินมีธรรมด้วยอรียบทต่างๆของตอนเองนั่นแหละถูกต้องแล้ว เรียกว่ากายานุปัสนาเป็นต้นเวทนาทุกคนเป็นบังคับไม่ได้มันช้ามไม่ได้มันเป็นเวทนามีสามประการที่ท่านวิทยากรจะอธิบายต่อภาคหลังสุขหรือก็มีแต่ความทุกข์เปรความสุขที่แน่นอนเราจะหาได้จากการเจริญวิปัสนา ความสุขที่จอมปลอมเราจะไปหาได้ตามสังคมกินเหล้าก็มีความสุขเล่นการทันนันก็มีความสุขเที่ยวเสสสวนหววนาก็มีความสุขแต่เป็นความสุขนอกประเด็นนี้ทางนั้นเป็นความสุขที่เจือปนด้วยความทุกข์ที่เราสร้างสุขขณะชั่วคราวกินเหล้าเมาและสนุกหายสางเมาก็มีทุกเสียเงินในการจิล่ะ เสียเงินเสียทองแล้วก็เสียเวลาทำให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโรค ก, กายโรคใจก็ตามมาความสุขนั้นจึงเจือปนด้วยความทุกข์เรียกวเวทนาความเสียใจความเศร้าใจความหมองใจก็เรียกวเวทนาบังคับมันไม่ได้บัญชามันไม่ได้มันเกิดเองแต่ปัญหาอยู่ที่มีสติควบคุมจิตไวให้ได้ อย่าให้มันเกิดเวทนาอย่าให้มันนอกเวทนาดีใจเสียใจก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขที่แนนอนไม่ได้เลยต้องมีสติควบคุมจิตทำให้สติดีทำให้จิตใจสบายทำให้จิตใจปกตินั่นคือศีลที่เรามีอยู่ในตัวตนทุกคนแล้วแต่เรากลับเอาศีลเราไปทิ้ง ไม่มีมารยาทคนที่มีมารยาทดีนั่นคือคนมีศีลมีสตินั่นเองมีสัมปชัญญะกาหนดตัวเองชะตากรรมที่เราคาดหมายว่าเรากาหนดชะตากรรมของเราเองตัวกาหนดจิตนั่นคือตัวชะตากรรมกาหนดดีมีสติกรรมก็กรรมดี กำหนดจิตไม่ดีขาดสติไม่มีสัมปชัญญะไม่กำหนดจิตตัวเราจิตใจก็เลวไปสู่ที่ต่ําคิดแต่ความโลภคิดแต่ความโกรธคิดแต่ความหลงแล้วก็คิดแต่สิ่งที่ไร้สาละไม่มีประโยชน์แก่ตัวเองเลยนี่แหละพี่นอนที่รักปุงนั้นแหละไม่มีสินะ่ะเวทนาที่บังคับ ไม่ได้บัญชาไม่ได้มันเกิดโดยสภาพของมันเองปวดเมื่อยทั่วสกุลกายก็ปวดนี่มันเกิดเองนงั่งนานๆไปมันก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดาบังคับไม่ได้บัญชาให้มันหยุดปวดมันก็หยุดไม่ได้แต่ปัญหามีอยู่ว่าต้องเอาสติไปยัดมันโดยกาหนดว่าปวดหนอเป็นตน้นรู้หนอเป็นตน้นนี่แหละ เรารู้สภาพจิตจะได้ไม่ไปยึดถือในความปวดของมันแยกจิตออกมาเวทนามันก็ไม่ไปสนใจกับเวทนามันก็หายไปเองโดยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความหมายอย่างนั้นสุขก็เป็นเวทนาเพราะมันเจ้อปนในความทุกข์ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นแม้วันนี้กลุ่มใจอยากจะไปหาความสุขคนไทยเรามีลักษณะขาดคุณธรรม ไม่สบายใจก็ต้องไปกินเหล้าไม่สบายใจก็ไปโฮเล็ลไม่สบายใจก็ไปกินเลี้ยงไม่สบายใจก็ออกเที่ยวให้เกิดความสบายใจแต่ทานไปเที่ยวแล้วกลับมาเงินทองหมดกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้งานไม่ได้การทิ้งงานทิ้งการากนั่นแหละตัวนั้นน่ยมีทุกเรียกว่าสุกเจือปนด้วยความทุกข์ขึ้นมา แล้วจะไม่มีโอกตาจะมีความสุขที่แน่นอนปลอดภัยในชีวิตดั้ัพย์สินแต่เพลการได้มีแต่ความเสียใจมีแต่ความเศร้าใจสามีภรรยาทะเลาะกันก็กินเหล้าไปกินเหล้าให้มันสาบายใจฝ่ายภรรยาเสียใจเรื่องสามีก็ไปเล่นไพ่ให้มันสาบายใจกับเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวรุ่มร่วมรุ่นกัน แล้วไปเที่ยวใยสาบายใจท่านจะเสียงานไปหนึ่งวันแล้วกลับมานอนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเลยนี่แหละถึงเรียกว่าเวธนาจึงต้องกาหนดจิตให้ม่สติต่อเวทนาที่เกิดขึ้นเสียใจก็กาหนดว่าเสียใจหนออ๋อเสียใจเรื่องเงินไม่มีเสียใจเรื่องผัวเสียใจเรื่องเมียเสียใจเรื่องพ่อแม่ เสียใจเรื่องผิดหวังมันก็เกิดขึ้นประดังกันเช่นนี้แล้วเราเอาสินญาตเอาสติยาตเข้าไปว่าเสียใจหนอเสียใจหนอที่ลิ้นปีสมาธิจิต ด, ดีสินดีสมาธิ ด, ดีแล้วมันจะขับความเสียใจออกไปเอาดีใจเข้ามาแทนที่สร้างความดีทำงานต่อไป งานจะได้สำเร็จด้วยความดีไม่ใช่งานสำเร็จด้วยความชั่วเอาตัวไม่หลอดแต่ประการใดโดดมุ่งหมายอันนั้นขอฝากพี่น้องไว้นี่แหละทางตรงของพระพุทธเจา้าไม่ใช่มโนยยทิไปเจอพระพุทธเจา้าไปร้องลาททำเพลงกันนะแล้วก่อ น, นียไปวัดไหนไม่รู้ พอนั่งกำหนดเข้าโห o งมาแล้วเดี๋ยวเป็นโห o งลำเดี๋ยวก็ว่าอาชาติอดี้จะชาติเป็นเคยเป็นโหงอันนี้จะชาติเคยเป็นทวีชัดรมันจะมากไปเน้ยมันจะเบอ้อไปแล้วมันจะบ้าแล้วมันจะวิกลจริตนะมันจะผิดทุนทางมรคขมันขาดจะไม่สามารถจะมีสติควบคุมจิตได้มันก็บาบอคอแตกออกไปไล่มารยาญขาดสิงนขาดทำขาดกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วขอฝากไว้ ตรงนี้เป็นจุดสำคัญของเวทนาเวทนาปวดเมื่อยทนไม่ไหวปวดหนอมายิ่งปวดหนักเป็นการศึกษาเล่าเรียนต้องการจะเรียนเวทนาว่ามันเกิดมากน้อยเพียงใดจะต้องศึกษาให้เข้าใจเข้าใจของจริงของจริงเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นตังดูดาบไปอุปาทานก็ไม่ไปยึดก็แยกรูปแยกรามออกมาเชียสติก็ดีปัญญาก็เกิด จิตก็ไม่ไปไปน่วงหนักไปอุปาทานยึดเวทนาเหล่านั้นปัญญาก็เกิดขึ้นเราก็ไม่มีปวดเมื่อยอย่างนั้นมันก็แยกออกไปถ้าแยกออกไม่ได้เราจะมีแต่กิเลสปิดตัวอยู่ตลอดเวลาการไลยปัญญาไล่สติไล่สัมปชัญญะไม่ได้กำหนดจิตจิตใจเลวจิตใจไม่ดีจิตใจดำอำมัมไมฮิตเหี้มโหด ทารุนดูล้ายแถมฆ่าสาป ต, ตัวเป็นให้จำตายเป็งตน้นจิตเสียจิตเลวเหมือนน้ำเสียน้ำเนา่าเหมือนปลาเนา่าอยู่ในค้องเดียวกันมันก็เสียทั้งบ้านถ้าบ้านนี้พอบ้านแม่บ้านเลวลูกก็เลวไปด้วยเสียทั้งคลองเสียทั้งบ้านเสียทั้งครอบครวัวเสียทั้งสำนักงานด้วยมันออกไปเป็นความเสียหายทางนั้น ความดีมันจะไม่พบจะพบแต่ความเร็วเป็นของดีของตอนเลยก็เห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นความทั่วเป็นความดีไปคนเร า, านานาจิตต่างติดมันจึงไม่เหมือนกันความคิดเห็นไม่ตรงกันคนดีเขาจะคิดแต่ทางดีไอ้คนทั่วนะ่ะชอบจะคิดแต่ทางทั่วไอ้คนเร็วนะ่ะชอบจะคิดทางที่ต่ําไม่ไปหาเหตุผลแต่ประการใดเพราะขาดสิงขาดธรรม าการช่างตัวเองการเจริญพระกรรมฐานเป็นการช่างฐานะของตนเองให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมิใช่คนอื่นเป็นผู้รับประโยชน์แต่เราเราเป็นผู้ได้มืนเปอรเนี่เยวนี่เวทนาทุกยากลำบากกายทุกขในตัวเราก็มากแล้วทุกเกิดก็เป็นทุกขอายุมากแต่ไปแล้วก็เดินงองแงงก็มีแต่ความทุกเดี๋ยวก็ เจ็บอีกนะป่วยเจ็บระหวยป่วยไข้าอาภาษมันมีแต่ความทุกข์ทางนั้นแต่เราก็หาที่มาของทุกข์ได้ก็คือตั้งสติด้วยความกาหนดทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในตัวเราในสกลกายนี่เองไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราทำตัวเองมันเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมะก็เรียกว่าธรรมชาติธรรมะก็เรียกว่าธรรมดา ไม่มีอะไรวิเศษวิโสต้องการจะศึกษาธรรมชาติต้องการจะศึกษาความจริงของชีวิตใช่หรือไม่ต้องการมาใช้ชีวิตจริงกันในที่สงบแห่งวัดอภวันในวันนี้นั้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเองนี่นละเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์อยู่เฉยๆใจมันก็ลอยหาที่เกาะหาที่เกี่ยวไม่ได้ ก็เรียกว่าเวทนาจำเป็นจะต้องกำหนดรูนอรูปประวัติใช่ไว่าจิตใจมันลอยจิตใจมันเลื่อนลอยจิตใจเลื่อนลอยออกไปแล้วไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยวไม่มีที่พึ่งทางใจจะต้องหาที่พึ่งทางใจเชื่อคือสติสัมปชัญญะคือการเจริญทางสัยเอฟของพระพุทธเจ้าพวกเรานั้นทําให้เรามีที่พึ่งทาให้เรามีที่เกาะที่เกี่ยว แล้วมีที่เกาะที่มาที่พอเหมาะในเหมาะสมแก่ตัวตนของเราเองโดยเฉพาะ อ, อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจยเราก็มีทุกข์ประจํากันแล้วเกิดเป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บระหวยป่วยไข้ก็เป็นทุกข์หิวโหวยละหายน้าหายหิวข้าวก็เป็นทุกข์ร้อนนักก็ทุกข์หนาวนักก็ทุกข์ มันหาความสุขไม่ได้เลยแต่ปัญหามาอยู่ที่เอาสติกาหนดไว้ให้ได้เอาสติกาหนดไว้ให้ได้ท่านจึงจะรู้ว่าทุกอะไรสุขอะไรแก้ไขยังไงทุกตรงไหนสุขตรงไหนควรจะแก้ไขอย่างไรในตัวเองจึงเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานสีนั่นเองเรียกว่าอะไรอีกเรียกว่าบำเพ็ญสินสามาธิปัญญา เรียกว่าทำจิตให้เข้าขัน้นทำจิตให้รู้จริงเอาจิตปลอมปลอมไม่ได้จิตจอมปลอมคือจิตพวกเรามันเล่นลับแฝงอยู่ในดวงใจอยู่เสมอด้วยกันทุกคนมันไม่มีความรู้จริงเลยรู้แต่จอมปลอมมันมีแต่กิเลสนานาประการความโลภ ก, ก็เป็นอาหารใจความโทสะก็เป็นอาหารจิตที่ชอบโทสะชอบทุนเคียว ความโมหะคือความหลงลร้วิชาขาดความรู้จริงมันก็เป็นกิเลสให้จิตใจต้องไปแสหาความโลภความโกรธควา ม, ลวา ม, ลวามลหลงและนาประการถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันก็ไปเป็น เ, นเบเรคไม่ให้โลภอยากได้ของเขาเบรกเข้าไว้ไม่ให้เกิดความโกรธเขาเบล์เข้าไว้ไม่ให้จิตใจเป็นทิฏฐิ เลยเลยจิตใจเป็นทิชชีสันดานไม่ดีเรียกว่าโมหะแปลว่าความหลงหลงสิ่งที่ไร้สาระไปหลงสิ่งที่เดือดหนอนไปหลงสิ่งที่ไร้สาละขาดความเหมาะสมในตัวเองเลยเราก็ประเลดด้วยกําหนดรู้เนอนรู้หนอนไอ้ที่รู้นั้นใช่ไม่ได้มันรู้ทิชิ ไม่จะมองหน้ามองตาใครไม่จะไปฟังเสียงใครเลยเอาแต่อารมณ์ของตนเองเรียกว่าโมหะโมหะแปลว่าความไม่เข้าใจโมหะแปลว่าความรู้สิ่งที่ไร้สาระโมหะแปลว่าความรู้ตามอารมณ์รู้ใจของเราโมหะแปลว่าถูกใจของเราไม่ได้มีความถูกต้องแต่ประการใดเรียกว่าโมหะ จึงต้องกาหนดตรงนั้นตามที่วิทยากรท่านจะชี้แจงคือโยมพันโทวิงรอดเฉยคุณนายสุวรรณาดลามาตท่านก่อเสียสละมาแล้วต้องการชี้แจงอย่างนั้นสมัมมาเนรก็ดีโปรดตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ละเวน้นขอฝากพระทีรวัติไว้ด้วยทันมาจะาต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามตั้งใจอย่างเดียวทางานทาด้วยความตั้งใจ ทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเคารพทำด้วยความสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะเป็นเหตุผลที่ห่าฟังศรัทธาไหมไม่ศรัทธาเลยไม่เลื่อมใสเลยสังกตายทำมาเขาไปก็ได้บุญสังกตายมันก็ได้บุญสังกตายไปบุญก็ไม่ได้ได้แต่ความบาปคือเดือดร้อนสังกตายไปวันหนึ่ง หาที่พึ่งทางใจไม่ได้แล้วจะไม่มีประโยชน์แต่ตนเองเลยเกิดมาเสียชาติเกิดประเสริฐไม่ได้กลายเป็นคนเศษมนุษย์บุรุษโคมลอยไม่มีความหมายในลูกนุ์แต่พรตการไใดพี่น้องผู้พิการทั้งหลายอย่าเสียใจโปรดตั้งใจใช้ดีสร้างความดีกันต่อไปจิตอย่าพิการเลย ร่างกายคคนมารุ่นก่อนหลายปีแล้วเขาเป็นสาวขาเขาขาดไปข้างนึงมือก็นิ้วไม่มีแต่กลับจากศูนย์ฝึกพระประแดงกลับไปเย็บผ้าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เขาแต่ไอ้น้องชายน้องชายร่างกายสมบูรณ์อาการสั ม, มีสองครบแต่กลับมาขอเงินพี่สาวชายทุกเดือน ไอจิตมันพิการจิตมันเลวจิตมันไม่มีปัญญาจิตมันไม่ฉีชาจิตมันเลวเลยต้องของเงินพี่สาวผู้พิการเอาไปใช้ทุกวันเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ด้วยขอฝากไว้ด้วยนี่จากศูนย์พระประแดงรุ่นก่อนรุ่นแรกของเธรรมไมยอาจารย์สฉวมณีทวิลแกล้วเป็นหัวหน้าศูนย์ทั้งแหลกยังจําได้ชัดเจน แล้วคนนั้นก็ยังเลี้ยงแม่อยู่ทุกวันนี้ได้มีรายได้เดือนเป็นหมื่นๆเย็บผ้าขาก็ไม่ดีขาไม่มีแต่ิ้วก็ไม่มีอีกแถมสามารถจะเย็บผ้าเย็บผ่อนทำทรงได้สวยได้คะแนนสงสารจากประชาชนมาอุดหนุนกันมากคับขได้เงินได้ทองเพราะกระตันยูกตวีชิตารทมและเธอก็นั่งสมาธิวันะสมงัโมงเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิอยู่ด้วย ขอฝากท่านพิการไว้ด้วยแต่จิตเขาไม่พิการเขาสามารถไปง่อยเปรียดเสียขามาเย็บผ้าเย็บพรอเลี้ยงแม่เขาได้จนทุกวันนี้ก็ขอฝากไปทุกคนด้วยในเรื่องจริงที่ผ่านมาแล้วเป็นเวลาหลายปีแล้วนี่จุดมุ่งหมายอันนั้นจิตดีมีปัญญาทำอะไรได้ทุกอย่างขาแข้งไม่ดีจิตใจทำได้ทุกอย่างแต่ขาแข้งดีดีร้อยเอร์เน คลบอาการสรมีสองจิตมันเลวจิตมันต่าทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างทำไม่ได้เลยจะเอาดีก็ไม่ได้เอาได้ก็ไม่ดีเอาดีก็ไม่ได้จะไปมีครอบครัวก็เอาดีไม่ได้ไอิจฉาได้ก็ไม่ดีอิจฉาดีก็ไม่ได้เลยก็ได้สภาพอย่างนั้นเองคือคนพิกาในจิตใจเล็วมากดีไม่ได้ทั้งหมด จิตดีมีปัญญาดีทั้งหมดในบ้านในครอบครัวถึงขาแข้งทันพิการแต่จิตท่านทดีมีปัญญาทําอะไรได้ทุกๆอย่างใช้สติปัญญาใช้สมองใช้โดนบันดาลในเรื่องบุญกุศลวาทนาบารมีของตนที่ได้สร้างสรร์อบรมมาปฏิบัติทําได้เขาก็มีปัญญาแก้ไขปัญหาถึงจะ ง, ง่อยเปรียดเสียขาใช้สมองสั่งงานให้ญาติพี่น้องทํา ให้ญาติมาช่วยกันแล้วก็ทําด้วยความถูกต้องแล้วท่านทั้งหลายมาเนี่ยขอให้มาดิศรทาตั้งอกตั้งใจทําปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ประการที่สองทำด้วยความเคารพนั้นเคารพตัวเองต้องตั้งสัจธารับศีลแล้วนะต้องมีศีลมีธรรมรับกรรมฐานเนี่ยต้องเจริญพระกรรมฐานด้วยความเคารพตัวเอง สองเคารพสถานที่อัศวิตรสามเคารพแลเบียบวินัยเคารพกฎหมายของบ้านเมืองด้วยจะเป็นประโยชน์ของท่านมิใช่น้อยนอกเหนือจากนั้นแล้วคอต่อไปท่านจะทำอะไรจิตท่านจะเลื่อสงบลงถ้าท่านไม่เคารพใครไม่เชื่อฟังใครแล้วก็ไม่ไม่ทำไม่เป็นตนของตนเองแล้วท่านจะขาดการเคารพสถานที่ ขากันเคารพครูอาจารย์ขากันเคารพพ่อแม่ขากันเคารพท่านครูมาอาจารย์ไปต้นแต่จะเอาดีอะไรไม่ได้เลยอย่าลืมการเคารพสามประการนี้ให้มั่นอยู่ในตนความสงบก็จะลดลงไอ้ความฟุ้งรุ่งร่านมันจะหายไปแล้วความสงบก็จะเงียบสงบสงัดลงแล้วความถูกต้องนั่นคือตัวปัญญา มันจะหลอกปลูในกองการสำขาญท่านจะได้อ่านตัวออกท่านจะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คลาชิธิจะได้ยำริชอบท่านจะได้ประกอบปูชนได้ผลอ น, นันเป็นหลักฐานสําคัญเกิดขึ้นในตัวของท่านเรียกว่าอัตสมบัติมีสมบัติมนุษย์นอกเหนือจากสมบัติมนุษย์มีแล้วท่านจะขยายสมบัติจากมนุษย์แยกแยะออกไป ช่วยเหลือโดยปฏิพัฒนาที่จะหมูกลิ่นเหม็นหรือหอมก็ตามเรื่องของมันธรรมชาติไอหมาเน่ามันก็เหม็นไอคนเน่าตายแล้วผีเน่ามันก็เหม็นน้ํำอบมันก็หอมเดี๋ยวมันก็เหม็นไอเหม็นเดี๋ยวก็หอมไอหอมเดี๋ยวก็เหม็นอย่าไปสนใจมันกําหนดว่ากลิ่นหนอเป็นต้นจะมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมมิเฉ่น้อยเหม็นอย่าไปสนใจความเหม็น หอมก็อย่าไปสนใจความหอมอุเบกขาภาวนาก็เกิดขึ้นไม่สนใจอะไรกระใครที่มันเลวร้วายสนใจความดีมาใส่ตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าไปสนใจคนอื่นครับว่าคนนั่นชั่วคนนี้ดีเลยก็เกิดความสันเสริญยิงทากันนขึ้มาเกิดการต่อว่าต่อขานต่อความร้ายกันขึ้นมาต่อความยาวสาวความยืดลื้ฝอยหาจะเข็บหยิกเล็บมันก็เจ็บเนื้อ เป็นธรรมดาเรื่องเก่ามาลื้อฟือ้อเรื่องอื่นมาแค่ิจที่ชอบไม่ทาเป็นกิจกรรมที่เลวแล้วกิจที่ชอบเพียงต้องทมเป็นกิจกรรมสร้างอนาคตให้เราลุ่งโลดโชตนาการมีความเจริญยืดยาวในอนาคตต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองทุกๆคนขอฝากไว้ในวันนี้พอเราเริ่มต้นแล้วกินน้อยนอน้อ ย, อ ย, อยพูดน้อยทาความเพียรให้มาก ของท่านดีรักษาโวชดองแปดประการรักษาสินแปดด้วยแปดข้อย่อใจความเป็นองค์สินแต่ตัวสินที่แท้ที่แน่นอนก็คือตัวสติสัมปชัญญะเป็นความปกติกายวาจาของตอนนั่นเป็นองค์สินแท้แต่ข้อปลีกย่อยองค์การเรียกว่าปานาไปตามอันดับเ้าจิตใจดี มีสติดีมีธรรมะดีไม่ต้องกล่าวถึงปานากกได้เพราะเราเห็นจะไม่ฆ่าสัตว์กันต่อไปเราจะมีใจเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลานและเราก็ไม่ต้องว่าอธินาทานาเวรมณีอีกเพราะเรามีคุณภาพมีสินมีธรรมมีธรรมมีสินแน่ไหนเลยเราจะไปลักขโมยใครเขาเล่าจะไปเบียดเบียนทรัพย์เขาทำไมเล่าไม่ต้องจาต้องกล่าวองค์สิน ขอให้เรามีสติทัมงบัญชาญากำหนดกรรมาฐานจะไม่อยากเบียดเบียนใครเดือดร้อนจะไม่อยากได้เงินได้ทองของท่านผู้ใหเลยจะหาได้มาด้วยฝันโหลดมากน้อยได้มาของเราเองก็เป็นการพอใจของเราเองไม่ต้องการไปพอใจไปได้เงินไปลักขโมยเข้ามาแล้วเป็นที่พอใจแล้วไปเอาความสุขของเขามาเป็นความสุขของตอนและวก็ถีบเอาความทุกข์ไปให้เขา ให้เขามีแต่ความทุกข์แล้วเอาความสุขเข้ามาใช่ไม่ได้คนนั้นลายสินได้ทำไม่าตามกราว่ากาเมหรืออพรรมจริยากามเมจุมีฉาจายาไม่จำต้องกลา่าวแต่เรามีสติทั้งปัญญาเป็นคนปกติดีมีสินมีธรรมประเวณีบ้ามัดสีในสังคมคงไม่ทำคงไม่ต้องทำเพราะมันไม่น่าจะทำ เพราะมันมีกิจกรรมมีศีลมีธรรมจากภาคปฏิบัตินะมันจะเกิดประโยชน์ในการธรรมะไม่จำเป็นต้องลวงประเวณีหน้านะบาดศีลสังคมอีกต่อไปและไม่จำต้องกล่าวหลอกลวงโลกหวังอาลาบเับเรามีสติ ด, ดีมีสัมปชัญญะดีกำหนดจิตให้ดีไนดะ้ดังที่กล่าวแล้วทำให้มันจริงๆอย่าทำปลอมอย่าทาเป็นสังตา ท่านจะมาอย่างอะไรท่านจะได้บากปกลับไปไม่ได้บุญแถมได้บาปอีกด้วยจะไม่เป็นประโยชน์สุดที่ผลแก่ตัวเองแต่ประการใดถ้าเรามีสติดีสัมปชัญญะดีเราก็ไม่อยากจะโกะหกคนอื่นครับงไปหลอกลวงเขาทาไมลนะ่วก็จะยังไม่ลา้าทหลอกลวงตัวเองโกหกตัวเองนี่มันแล้วที่สุดคนที่มีศีลธรรมเขาไม่โกหกตัวเองแล้วเขาก็เชื่อในตัวเอง ไอ้โกหกคนอื่นเนี่ยก็ยังบาปแค่หกสิบเปอร์ซตถ้ากหกตัวเองหลอกลวงตัวเองเนี่ยบาปถึงปดสิบอซออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากถ้าเรามีสติกรรมฐานเต็มเปี่ยมเพียบด้วยเรียบร้อยด้วยจริธรรมเนี่ยรับรองเราคงไม่ไปเดิมยาเสพติดเดิมสุลายาเมาไม่ต้องไปเอาพระไปเทศเลยแล้วก็ไม่ต้องบังคับด้วยเขาจะไม่เดิมทุลาจริงๆ แล้วจะไม่เดิมยาเสพติดทุกชนิดที่มันเสพติดย้อมใจให้ยั่วยุในทางอารมณ์ย้อมใจให้ยั่วยุทางเลวทางกามมคุณเป็นต้นแม็นจะต้องไม่ใส่ใจในเรื่องนั้นพี่น้องิล่หละโชคของท่านดีรักษาโบสดทุกวันแต่เวลาการจำกัดรักษาโบส์ได้จำพ่อวันพระคือวันหนึ่งและคืนหนึ่งเวลาวันนั้นก็ยังรักษาการมด้ แต่พระพุทธเจ้าแสดงชัดเจนมากกว่าใครมีสติทั้งชัญญะมีปัญญามีกำหนดกรรมาฐานได้ท่านถือว่าจิตใจสดชื่นก็เรียกว่าอุโบสถได้ไหมได้ได้แน่ๆบางคนเข้ามารักษาอุโบสถตามวันพระในพรรษาจิตใจก็แห้งแล้วจิตใจก็ไม่สดชื่นจิตใจก็ขมขื่นจิตใจก็ละทอมจิตใจก็สมอง ไหนเลยแ่ละเขาจะมีอุโบสถจะสินเขาได้เขาก็ไม่มีอุโบสถจะสินแล้วแต่เราพี่น้องพิการทั้งหลายเรามีสติกรรมฐานดีตั้งสติสงบดีมีปัญญานั่นแหละอุโบสถจิตใจท่านสดชื่นจิตใจท่านดีจิตใจท่านมีปัญญาจิตใจท่านหลอกลูงในกองการสังขารของท่านเอง นั่นแหละคืออุโบสถที่ถูกต้องแต่ตามกาลเวลาสำหรับคนที่จิตใจมันฟุ้งซ่านมากมาสงบกันได้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเรียกว่าอุโบสถตามกาลเวลาเรียกว่าวันพระแต่นอกจากวันพระเรากลับไปบ้านแล้วมันก็มีตะเรี่ยงวุ่นวาย เรื่องในบ้านสับสนมีแต่โกหกหมดเทตการละลวมหลอกและเล้ยวไหลหลอกลวงกันในบ้านของตอนบ้านเหนือบ้านใต้ก็มีจะเรื่องหลอกลวงกันจึงเรียกว่าอุโบสถในบ้านไม่ได้ถ้าจริงจากัดความไว้ว่าเพียงวันพระที่มาสงบที่วัดแต่เรามาทั้งสองคืนสามคืนก็ตามถ้าเราสงบจริงก็เรียกว่าอุโบสถทั้งสามวันสดชื่นทั้งสามวัน จิตใจก็สบายเพราะสิ่งใจมาสงบนาทีสันติประลังถุกขังถูกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแนวเราก็อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสุขจิตใจก็ไม่มีทุกข์จิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านและสถ า, านที่แห่งแดนสุขาวดีนี้นะ่ะเป็นแดนแห่งความสงบเป็นแดนไม่โกหกกัน และเป็นแดนความจริงของชีวิตจึงเรียกว่าอุโบสถคงไม่ผิดพลาดคงไม่ประมาทอีกต่อไปแล้วที่เรียกว่าจำพ่อวันพระก็เนื่องจากเรามีธุร ก, ก, กิจมากสำหรับคนประกอบอาชีพคารวะที่อยู่ในบ้านต้อโกหกหมดแท้กันต้องพูดหลอกลวงกันพูดย้าแย่ให้แง่กัน พูดในด้านกรรมคุณลูกเสียงเป็นลถโถดทับพระมีแต่ความยั่วยุในทางโลกจึงไม่สามารถเรียกว่าอุโบสถในบ้านได้เราเรียกอุโบสถที่แน่นอนก็คือการเจริญสติปัฏฐานสีสร้างความดีให้จิตสงบความสงบนั่นแหะเป็นความสุขควาทชาระใจให้สะอาดก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ทให้ใจสะอาด ซักฟอกจิตให้สบายทำใจให้ให้เกิดแสงสว่างทำใจให้หมดจดทำใจให้สเบยเราจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์ความยากอีกต่อไปถึงจะเรียกว่าอุโบสถศีลมีศีลประจําจิตใจก็สดชื่นถ้าขาดศีลขาดธรรมจิตใจก็สมองจึงเรียกอุโบสถไม่ได้ มันใจเช่าหมองขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนในวันนี้เพื่อไม่เสียวเวลาในที่ประชุมนี้พัฒนาจิตก็ตั้งสติวัติจิตจิตเกิดทางตาเห็นด้วยปัญญาจิตเกิดทางหูพัฒนาทางหูอย่าไปฟังเขาโกหกอย่าไปฟังเขาหลอกลวงอย่าไปฟังเขาดา่าด่ากลับไปหาเขาเองเขาไม่ได้ดา่าเรา่าเสียไปรับเอามา ถ้าเรามีสติดีจะไม่เสือกอเสือกไปรับความด่าเขาเข้ามาไว้ในใจจะมีแต่ความทุกข์ความยากความลหมากตลอดไปตรงนี้ขอพี่น้องตั้งใจปฏิบัติอย่าไปแสหาเรื่องอย่าไปเปลี่ยนเวลาอย่าไปเอาเรื่องของใครทางนั้นมาใส่ตัวเองต้องเอาเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะอย่าไปหาเรื่องหาราวกัน คนที่หาเรื่องเปลีอยเวลาคนไายสาระคนเศษมนุษย์บุรุษโคมลอยไม่มีที่พึ่งอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามาหาที่พึ่งกันนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วเกิดมามีหูมีตามีปากมีฟันกันทุกคนแต่สร้างตนเชื่อใดีสร้างความดีเสียดาถึงเราจะเป็นพิการแต่จิตใจเรามีบุญ มีคุณรประโยชน์เหมือนนางแก้วหน้ามา้าเลบลาเหมือนมา้าแต่จิตใจดีพเพลิดสีบอกแก้วเอ๋ยชาติน่าจะต้องเป็นคนสวยเด่นเป็นนางงามของผู้ราชาขอฝากไว้นางแก้วเอ๋ยเจ้าจะเป็นอาคเอกของมเหสีขององค์พระราชาในนคตเพราะจิตเจ้ามีศีลพเพลิดสีเขาบอกอย่างนั้นต่อไปนางแก้วก็มีศีลมีสัตย์ มีกาลยาณธรรมสวยน่าลักจนพระปิ่งทองหาได้ดูใหม่ว่า น, นี่คือนางแก้วเมื่ออดิจฉะหลับสวยอย่างโสภาเหมือนเทพธิดาลอยมาจากสวงสวรรค์ดังเลยชี้แจงสแสดงมาจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทาั้งหลายอีกต่อไปอีกยาวนานภาพซ้อนภาพกายซ้อนกายจิตซ้อนจิตมันทำให้เราพลาดผิดมันมาซ้อนให้เรากหลงกก้น โปรดอย่าให้ซ้อนกายอย่าให้ซ้อนจิตขอให้อย่ามีพิษมีภัยต่อตัวเองจงมีแสงสว่างส่งกล้องเหมือนฉายเอ็กซเรย์จิตฉายเอ็กซเรย์สมองเอ็กซเรย์จิตใจร่างกายีิการจะจิตใจเ่าดีมีปัญญาร่างกายจะเข้มแข็งพัฒนากายให้แข็งแรงพัฒนาจิตให้อดทนพัฒนาเวลาอย่าให้มันเสียเวลาไปเปล่า ราประโยชน์แต่ประการได้ขอพี่น้องที่รักเฮ้ยเราเป็นญาติกันแล้วเราเป็นพี่น้องญาติคุ้นเคยในธรรมะไปมาหาสู่ในทางธรรมมีอะไรก็พึ่งตนเองพึ่งคนอื่นช่วยเราได้สมปรารถนาเรียกว่ญญาตนายานบรวรพระพุทธศาสนาสนิทด้วยความดี สนิทด้วยความคุ้นเคยจากความดีนั่นเองเป็นบัณฑิตในจิตใจรักสาวโบรสตรละไในกรรมฐานตานจะได้รับผลอานิสงส์สมความมุ่งมาตนปรารถนาดังได้ชี้แจงโอวาทมาพอสมควรแก่เวลาในธรร ม, มานุ ป, ปัฏฐานสรุปทมเป็นกูรศรทรรมิใช่เป็นอากูศร ทำดีก็เป็นกูสอนทำชั่วก็เป็นอากูสอนลูหนอถูกต้องแล้วหนอไม่เป็นอากูสนลกรรมอีกต่อไปแล้วกระปายเจ้าจึงกำหนดว่าลูหนอเรียกว่าท ร, ร ม, มานุ ป, ปนัสนาสติปฐานสรุปใจความของชีวิตเรามีแต่กูสอนช่วยตัวเองอากรสนลกรรมนี่มันช่วยตัวเองไม่ได้มันย้อมละยำทำให้รั่ว ทำให้ตัวอับปางจะไปพึ่งใครก็ไม่ได้อีกต่อไปจึงเรียกว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานแปลว่าทำเป็นกุศรบุญกุศลจะพึงได้สรุปข้อสี่ของการเจริญสติปัฏฐานสี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสรุปข้อหนึ่งกายในกายจิตใจมีสติกายนอกก็ดีเวทนาในเวทนา จิตใจดีมีปัญญาเวทนาหายไปเหลือเวทนาในคือจิตใจสบาทจิตตานุปัตนาจิตดีมีปัญญาพัฒนาได้ทุกอย่างธรรมานุปัตนาจิตเป็นมหากรุนดวงแปดคือสินสมาธิปัญญาทานน้ำใจคือเมตตาก็เข้ามาสู่เรา เราก็มีตะแมตตาปราณีอาลีเ อ, อืเ้อเฟือขาดเหลือคอยดูการสัมพันธ์ธรรมรีเรียกว่ามนุษย์อย่าสัมพันธ์ในสังคมต่อไปสุดท้ายนี้ก็ให้โอวาสมาพอสมควรแอัตภาพเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วโบได้รับฟังคุณโยมผู้เป็นวิทยากรพันโทวิงรดเฉยโยมคุณนาชวัรนาดารามาดเพื่อจะชี้แจงกล่าว การภาคปฏิบัติสืบต่อไปณโอกาสบัดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอท่านจงเจริญทำสัมมาปฏิบัติงอกงามไพยบูรในบวรพพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเพื่อช่วยตัวเองต่อไปขอท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะ ถูกะพละปฏิพานธนาจาราละสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาติปรารถานาด้วยการทุกรูปทุกนามหน้าโอกาสบัดนี<ป>้เทินขอเจริญพร